รู้ทันไม่ใช่เฉพาะอารมณ์ในรวมถึงความคิดด้วยนะความคิดที่มันฟุ้งปรุงแต่งนะแล้วก็ครอบงมจิตหรือว่าลออ่อหลอกนะล่อลวงจิตนะบางทีมันก็ล่อไปไกลแล้วก็มารู้ทันนะว่าไอ้นี่ไม่ใช่นะเหมือนกับ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 นะไออารมณ์เนี่ยมันมักจะเกิดนะเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นนะความคิดมันปรุงแต่งอารมณ์แล้วอารมณ์มันก็ปรุงแต่งความคิดพอโกรธใครไม่พอใจใครก็จะขุดคุยนะถึงการกระทําของเขาในอดีตหรือบางทีก็โยงไปถึงคนรอบข้างของเขานะมันปรุงกันใหญ่เลย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 นะแต่สติเนี่ยนะมันเหมือนคนที่อยู่บนหอคอยนะเห็นกระแสน้าที่ไหลผ่านแต่ตัวไม่เปียกแล้วก็ไม่เหนื่อยนะมันเป็นลักษณะองการที่รครูบาอจารท่านก็ใช้คำว่ารู้เฉยๆรู้สื่อๆคือดูสังเกตเห็นนะแต่ว่าไม่เข้าไปผัวพันไม่เข้าไปคุกขีตีมงหรือไม่เข้าไปต่อลอดต่อเถียงด้วยนะได้ยินเสียงดังนะ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 แต่ผู้ปกครองคนนี้กลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถแล้วก็ไม่อยากคอยนานพนระรถมันติดอยู่ก็เลยหักขวาเสียบเข้าที่จอดรถเลยนะบอกกัว่ารถอีกคันหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาอ้อมมาขาอ้อมองเวียนเขาก็เล็งที่จอดรถนั้นเหมือนกันแต่บกว่าโดนแย่งไปก่อนผู้ปกครองนั้นก็เลยไม่พอใจ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 พอถูกต่อว่านายถามก็บอกว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครประโยคนี้เราคุณนะบางทีว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครมึงรู้ไหมกูเป็นลูกใครอะไรเงี้ยนะพวกเขาจะบอกผมไม่สนใจคุณเป็นใครคุณทําผิดระเบียบทำํำยันไม่ถูกนะว่าแล้วก็เดินกลับไปที่รถของตัวนายถามคนท่านไม่พอใจมากโกรธคว้าปืนอยู่ในรถเนี่ยเดินตามไปเลย นะลองนึกภาพนะคนที่ถือปืนเดินตามอีกคนหนึ่งไปผู้ปกครองนนั้นไม่รู้ตัวเลยนะว่าใกล้จะถึงคาดแล้วแลก็เพอเอิญ น, นะมีพนักงานนะขับรถของโรงเรียนนั้นเนี่ยอยู่ในเห็เหนเหตุการณ์แกก็รู้ว่าเฉยไม่ได้แล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างแต่เราคงทราบใช่ไหมพล เ, เมืองดีหลายคนก็ตายเพราะไปห้ามไปห้ามคนไม่ให้ทะเลาะกัน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 อย่างที่เราได้ยินสำนวนของสุนทรพูดนะความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขาดสติมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วนี่สิ่งที่หมอวิสุทธ์พูดนะสิ่งนี้สําคัญกับวิชาความรู้เนี่ยสิ่งนี้หมายถึงว่าการครองสตินะการฝึกจิตการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญกับวิชาความรู้ตรงนี้แหละก็คือว่ามันสามารถจะพาตัวรอดได้มันสัะพัด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 อาชาดีก oh, ับปุณณีนะครับ